เมื่อวานนี้อาเตออาเตมเลเรเซียบอกว่าเขาจะเข้าใจผิดหรือถูกเข้าใจว่าสมัยพระพุทธเจ้ากับสมัยนี้การที่จะเข้าใจธรรมะก็ไม่ต่างกันไม่ธรรมดานะเนี่ยพูดอย่างนี้ได้เลยอ่ะแสดงว่ามีความเข้าใจดีเข้าใจดีทุกอย่างอยู่ที่จิต ใกล้แล้วใก ล, ใก ล, ใก ล, ใกล้จะเป็นพลทหารแล้วถ้าทำได้เป็นพลรหารแน่นอนละคุณแม่สู่มาเลเซียได้ไหมเนี่ยฮ ะ, ะเป็นยังไงอ่ะยังเจ็บอยู่ไหมเห็นตัวเจ็บใช่ไหมมันดูเจ็บใช่ไหมสักแต่ว่าเจ็บใช่ไหม ถูกแล้วถูกแล้วแล้วมันจะเดินทางเองในเมื่อเราวางใจถูกจิตเรารู้แล้วไม่ใช่เราใช่ไหมล่ะ ah? เห็นว่ามันเป็นเรื่องของเวทนาสักว่าเวทนาไปเรื่อยเๆืยรืยเรแล้วจิตมันเข้าใจแล้วมันก็จะพัฒนาตัวของมันเองวางของมันเองปล่อยของมันเองทิ้งของมันเองทีนี้ก็เข้าไปหาธรรมะอย่างเดียวาวางกายก็วางเวทนาได้ก็วางกายได้เข้าใจไหม เวทนาอยู่ที่กายนี่แหละคำพูดเฉยๆหรอกวางกายได้ก็วางเวทนาได้วางเวทนาได้ก็วางกายได้วางเวทนาวางกายได้ก็วางจิตได้ต่อไปก็วางจิตได้อีกค่อยๆวางไปวางไปวางไปปล่อยวางอย่างเดียวมาเลเซียวันนี้มีคำถามไหมหมดแล้วเนาะ หมดคําถามแล้วก็ปฏิบัติเอาแถวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแถวไหนก็ได้นะใครก็ตามถ้าหากว่าเริ่มหันมาทํากรรมดีเช่นมาอยู่ในวัดอะไรควรทําก็ทําไปที่มันเป็นประโยชน์ทําแล้วเนี่ยไอตัวจิตนะ่ยมันก็จะดีขึ้นมามันสบายขึ้นมาไอตัวจิตเนี่ย มันสามารถปรุงแต่งปรุงแต่งร่างกายให้ดีขึ้นมาด้วยตัวจิตเนี่ยพอมันทำบุญทากุศลเนี่ยฝ่ายบุญเนี่ยมันก็จะเข้ามาเข้ามาหาตัวเราไอ้กายกับใจเราเนี่มันได้มาเพราะกรรมเก่าเมื่อมันได้มาเพราะกรรมเก่าคราวนี้กรรมใหม่ของเราเป็นบุญมันก็เอาบุญเข้ามา ชดเชยทดแทนทดแทนทดแทนเข้ามาสร้างมาสร้างกายสร้างจิตใหม่เป็นกายเป็นจิตที่มีบุญเข้ามาสร้างเข้ามาประกอบเพราะนั้นร่างกายก็จะเป็นร่างกายที่ค่อยๆละเอียดขึ้นมีความสุขความสบายขึ้นจิตใจก็มีความสุขความสบายขึ้น เนี่ยไอพูดถึงความเป็นอยู่นะแต่ว่าไอาตัวที่มันจะออกจากทุกข์ได้เนี่ยตัวนั้นมันเป็นตัวปัญญาตัวที่จิตของเราเข้าไปเห็นความจริงคำว่าปัญญาในนี้ไม่ได้หมายว่าไปฟังเยอะๆหรือว่าไปเทียบไปเคียงอะไรมาปัญญาจริงๆหมายถึงปัญญาที่เห็นแจ้งชัดเฉพาะหน้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา หรือว่าเห็นว่ามันมันเป็นอย่างนั้น่ะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้น่ะเนี่ยตัวปัญญาทแท้คือปัญญาที่มันเฉพาะหน้าไม่มีคำพูดแต่จิตมันก็พูดได้มันก็มีคำพูดของมันตัวจิตเนี่ยตัวจิตจริงๆเองมันก็ตัวที่พูดนั่นก็เรียกว่าเป็นสิ่งประกอบสิ่งที่ประกอบเพราะมันเกิดรละดับอ่ะภาษาอาภิธรรมเขาก็เรียกเจตสิกไปแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เมื่อมีจิตก็มีสิ่งที่มันหาศัยจิตเกิดและใสจิตดับเป็นธรรมชาติเลยนะอ้เยอะแยะมากมายเลยนะรวดเร็วที่สุดเลยนะไอตัวเนี้ยรวดเร็วสุดสุดเลยอะ่ะตัวจิตเนี้ยเป็นตัวรู้รู้ในรู้นั้นมันก็มีในเมื่อชีวิตเรามันก็มีพวกขันห้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีพวก วทนงทนานอะไรขึ้นมาในร่างกายทีนี้ความสําคัญคือตัวจิตนั่นนะ่ะมันอยากเอาสุขมันอยากเอาสุขมันอยากให้สมอยากให้สมใจให้เป็นที่พอใจอยากได้สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ชอบใจให้สมใจเนี่ยปฏิญากรรมทามันขัดแยง้งขัดใจเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันอยากผลักดันออกไปมันจะมีอยู่ในธรรมชาติเลยนะจิตพวิริหันก็เป็นนะเนี่ย จิตพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นจิตพระอรหันต์ก็เป็นก็มีที่มันอาการประเภทนี้ขึ้นมามันเหมือนกับมีอะไรที่มันทำมรู้สึกระคายเคืองรู้สึกอยากให้มันดับไปอย่างเงี้ยมันเป็นของมัน่ะแต่ถ้าจิตพระอรหันต์ก็จะรู้รู้เฉยเฉยรู้เฉยเลยไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตว่างแล้วไม่รู้อะไรไม่ใช่นะรู้แล้วก็เห็นภาวะเหล่านี้ถ้ามันมีขึ้นมาก็เห็นมันเกิดมันดับไป ถ้ามันไม่มีมันก็จะลาบเรียบลาบเรียบสัพพสิ่งก็ยังอยู่ทุกอย่างนะแต่มันจะสนใจเฉพาะสิ่งที่มันชัดเจนในจิตตัวจิตมันจะดูอะไรสักอย่างที่มันชัดอย่างเช่นเวทนาชัดมันก็จะดูเวทนาพร้อมกับวางอันอื่นหมดในโลกเรามีมีสัพพสิ่งแต่มันจะไม่สนใจมันเหมือนมันเข้าไปมันลึกซึ้งอยู่ข้างในอ่ะ มันจดจ่ออยู่แต่กับบางสิ่งแต่มันก็รู้รอบด้วยนะตัวมันเองก็รู้รอบรู้ตัวทั่วพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าอาการของพวกที่หยาบๆยามันไม่ปรากฏจิตมันไม่ไปเอามามันจะอยู่เฉพาะเรียกว่าส่วนที่มันจดจอก็มีแล้วก็ความรู้ของมันมันก็ขยายกว้างวางออกไปได้เพราะนั้นจึงว่าจิตของพหูหลาน กับจิตของคนทั่วไปมันก็จะเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีอะไรขึ้นมามันจะรู้เหมือนกันรู้แต่ว่าจิตของพ่อลาหันหรือจิตของพุทธเจ้านี่รู้แล้วท่านเฉยได้ควรทำยังไงก็ทำอีกรู้แล้ววางได้เฉยได้จิตของคนทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตว่าวางได้มากได้น้อย ถ้าใครเข้าใจใครเห็นบ่อยๆเข้าว่าเออมันเกิดระดับมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรื่อยไปมันอยู่ของมันอย่างนั้นเองขายออกขายออกขายออกพ้นการปฏิบัตินี่จึงต้องการที่จะให้มีสติมีสติแล้วก็เข้าไปรู้สิ่งเหล่านี้แหละว่ามันเป็นของมันมันเกิดของมันพอมันเห็นอย่างนี้มันก็จะคำพูดมันก็จะค่อยๆหมดไป หมดไปมันก็แต่คอยแต่สังเกตการคอยดูอย่างเดียวอะไรมาก็เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าไม่งั้นจะไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็จะไปหาครูบาอาจารย์ที่นั่นที่นี่ไปยังไงมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในจิตของตัวเองนี้อยู่ที่การสำรวมระวังเพื่อที่จะให้จิตเข้าไปเห็นแจ้งความจริงอันนี้ของการที่สำรวมระวังการที่มาทําความดีก็เพื่อให้จิตสบาย เพื่อจิตสงบจิตมีความสุขแล้วก็สติก็เข้าไปเห็นง่ายรักษาจิตง่ายเข้าไปเห็นอารมณ์พวกนี้ได้ง่ายใครทำอะไรอยู่พยายามมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่รู้ตัวอยู่เผลอแล้วแล้วไปเอาใหม่มันก็จะเข้าไปรู้เห็นได้ง่ายเมื่อมันเห็นแล้วมันก็นานเข้ามันจะมีโยนิโสมนสิกการมันจะสอนตัวเองงจิตเนี่ย จิตมันสอนตัวเองได้มันจะจอกย้ำตัวเองว่าอันนี้เกิดแล้วต้องดับนะอันนี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเรานะมันจะค่อยๆขยับตัวของมันเองขึ้นมาค่อยๆปล่อยค่อยๆวางไปแล้วอันไหนที่กระทบแล้วมันมีปฏิยาออกไปแล้วมันทุกข์ขึ้นมามันเห็นโทษขึ้นมามันผิดพลาดพลั้งแล้วมันก็จะค่อยๆแก้ไขเนี่ยมันก็จะพัฒนาขนไปเรื่อยๆ จะไม่ให้มีอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะเรายังอยู่ในโลกยังมีกายมีจิตก็ต้องมารู้เกี่ยวกับเนี่ยแหละชีวิตของเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองพอเข้าใจทั่วถึงแล้วมันก็วางหมดเลยวางหมดเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรเลยแต่ทุกมียังมีอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันมีแบบละเอียดละเอียด แบบพละหันอย่างเงี้ยเวลากระทบอารมณ์ก็ปุ๊บขึ้นมามีไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะมีแต่มันบุ๊บลมกระดับของมันไปอย่างเงี้ยระคายเคืองเหมือนกันแต่มันไม่ไม่ปรุงจิตไม่ปรุงแต่งขึ้นมาก็มันมีมีปรุงแต่งมันกระดับของมันไปเองแบบเนี้ยมันมันไม่เอาเข้ามาถ้าปุถุชนมันเป็นเราหมดเลยพระโสดาบันก็อาจจะละได ระดับหนึ่งสกทาคามีอนาคามีไปตามลําดับตามลําดับปัญหาก็ลดลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายก็ก็ลงตรงที่ไม่มีอะไรอย่างที่ว่านั้นน่ยเพราะมันก็ลงสู่ธรรมชาติไปเลยมันกับจิตก็เป็นธรรมชาติด้นหนึ่งสิ่งถูกรู้ก็เป็นธรรมชาติดันหนึ่งมีแต่ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้เลยก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยมันก็จบจบตรงนั้นเลยมันก็เลยไม่ได้ไป เหมือนเป็นผู้วิเศษอะไรเลยนะทำแท้ๆไม่ใช่เป็นผู้วิเศษไม่ใช่บรรลุแล้วโว้ยว่างแล้วโว้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่อยากพูดอะไรมันก็เฉยนิ่งเงียบของมันรู้แต่ว่ามันไม่มีอะไรคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่เวลาพูดกันก็ต้องพูดเพื่ออะไรสื่อสารเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติได้ นการปฏิบัติจึงต้องนุ่นละ่ะจนไม่มีอะไรนี่แหละถ้ายังมีอยู่ก็ไม่ใช่อ่ะต้องไม่มีอะไรเลยอยากพ้นก็ไม่มีกลัวไม่พ้นก็ไม่มีพ้นแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องไม่มีมีหน้าที่ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเลยวเวลามันพ้นไปมันก็มันจะไม่เหมือนกับที่เราเคยคาดคะเนเอาไว้เวลาหลุดพ้นจริงๆอ่ะมันจะไม่เหมือนกับที่ คิดเอาไว้คาดเดาเอาไว้ได้ยินได้ฟังมาแล้วเอามาสรุปว่าต้องอย่างนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยคนที่มาปฏิบัติเนี่ยความสำคัญก็คือว่าความเป็นอยู่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อจิตใจของเรากระทบกระเทือนการปฏิบัติ ความเป็นอยู่ถูกต้องการดําเนินชีวิตถูกต้องอันนี้ก็ต้องอาศัยหลักธรรมของบุติเจ้ามาเทียบเคียงได้แล้วก็พยายามมีสติเพอะตัวสติตัวนี้มันทําให้จิตของเราพัฒนาขึ้นมารู้ตัวรู้ตัวรู้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยไปสติมีสมาธิเกิดขึ้นก็อะไรเกิดขึ้นก็เริ่มรู้เริ่มรู้ ค่อยๆรู้ไปแล้วก็คายออกคายออกไอพวกฌานอะไรนี่ก็คืออารมณ์ของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเท่านั้นเองฌานจะมีอะไรอะ่ะเอาจิตไปดูลมอย่างเงี้ยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เรียกวิโตกพอรู้ตึ๊บตรงนี้มันก็จบแล้วไม่มีอะไรเลยอะ่ะแล้วก็ควบคุมจิตให้อยู่ให้จิตอยู่กับลมนั้นเรียกว่าวิจารนี่ก็คืออยู่กับปัจจุบันนั่นแหละ เสร็จแล้วก็มีปิติขึ้นมาก็รู้ว่ามีปิติเนี่ยก็คือให้จิตไปรู้จิตไปรู้ไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะถ้าไม่รู้ตัวมันไม่ใช่ฌานนะมันดับมันหลับไปอะสุขมาก็รู้ว่ามีสุขอุเบขาราบเรียบมีปฐมฌานโภชานก็คือนี่แหละ มันก็ขึ้นอยู่กับจิตเราไปรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมรู้ไหมมันก็เลยหมดความหมายไปคำว่าฌานหรือไม่ฌานสมมุติเรียกชื่อมันมันก็หมดควาชื่อมันไปก็เลยเอาเนื้อหาของมันเนื้อหาของมันคือจิตรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นอะไรมารู้มันเป็นยังไงรู้อะไรมาก็รู้ได้เร็วรู้ได้ลึกซึ้งก็ทะลุไปมัน อ, อย่างน้อยก็ได้มามาวัดนี่ก็เออถือว่า เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับผู้ที่ได้มาอย่างน้อยก็มีบุญมาแล้วมันก็จะมีความแตกต่างเมื่อมาวัดแล้วมันจะมีความสำรวมต่างจากอยู่ข้างนอกความคิดของเรามันก็ลดลงคนเรามันทุกข์เพราะความคิดเพราะจิตมันไหลออกไปทางโน้นทางนี้ปรุงแต่งขึ้นมาัมนก็เลยเรล่องเยอะแยะมากมาย คนถ้าเรามีสติรู้ทันรู้ทันเนะีพวกนี้ก็จะดับไปนับไปจิตเป็นสมาธิขึ้นมาจากนั้นก็มีแยบคายเข้ามาสังเกตดูขันห้าการทํางานของขันห้าของชีวิตเรานี่แหละเราชอบใช้คำว่าบูชาพระบูธเจ้าเหมือนกับฝึกวางฝึกปล่อยวางฝึกไม่เอาะเหมือนกับแค่บูชาหรือฝึกให้มันว่า ทำให้มันง่ายๆอ่ะเหมือนไม่เอาอะไรผลการปฏิบัติสงบไม่สงบไม่เป็นไรอ่ะแค่ๆอย่างนั้นอ่ะขอบูชาสํารวมกายสํารวมใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทําเหมือนไม่เอาอะไรแค่บูชาเฉยๆปล่อยวางบูชาเนี่ยเอาแล้วสุดท้ายอุทิศบุญนะอุทิศบุญ อุทิศบุญเองเลยก็ได้นะอยากจะอุทิศบุญในแก้ๆแต่พวกนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะทำแลักความดีมันก็ทำไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันต้องการเนี่ยปัญญาที่รู้ความจริงนี้ต่างหากตัว น, นี้บุญแท้บุญเรื่องบุญเรื่องความดีอันนี้มันสำหรับคนที่ยัง ไม่สามารถรู้ทางออกแกจิตใจตัวเองอเหมือนยังถูกกำนาดของการเวียนว่ายตายเกิดครอบงาอยู่คิดใดแค่ว่าเออเดี๋ยวไปเกิดเกิดแล้วก็ดีขึ้นมาแล้วก็เกิดดีอยากเกิดดีอยากดีอยากให้สมอยากอยากให้สมใจอยากอยากให้ใดดังใจอยากมีความหวังอะไม่รู้หวังอะไรละแต่มันมีความหวังอ่ะ หวังว่าจะดีหวังว่าจะสุขหวังว่าจะสบายหวังว่าจะได้เงินทองอยากได้ชื่อเสียงคือดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆความหวังมันมีความหวังความหวังนี่ก็ก็คือตัวตัณหานั่นเองคือความอยากมาจากความอยากมันก็เลยถูกมายาตัวนี้ครอบงำเอาไว้ด้วยอำนาจของความอยากความหวังอันนี้มันก็ผลักดัน อยากเกิดดีก็ต้องเออทำบุญสุนทานบ้างหวังว่าเออเป็นอริยรัพย์เป็นสเบียงก็ถูกอยู่แต่ว่ามันก็เกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงมันไม่ศึกษามันไม่ทำความเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปเกิดที่ไหนก็ตายเกิดตาย ระวังเกิดตายมันไม่เ็นมีร่างกายร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บมีหนาวมีเย็นมีร้อนมีหิวมีกระหายมีเจ็บมีปวดมีมึนมีชามีง่วงมีเพลียเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนละาหวยโรยแรงปวดหัว ปวดแข้งปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกปวดท้องปวดหูปวดฟันปวดหัวออ้สารพัดเรื่องดูสิแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะไม่เห็นนะถ้าไม่มีพระิจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยคนจะไม่สามารถรู้ธรรมชาติอันนี้ได้เลยโอ้แข่ครั้งที่มันเปิดเผยนะ เปิดเผยเป็นความจริงแต่ว่าไม่เห็นเพราะมันถูกเรื่องราวอะไรที่อยู่ในโลกอ่ะครอบงำเอาไว้มันไม่มามองตรงนี้หรอกเจ็บปวดแทนที่มันจะมาดูตัวเจ็บตัวปวดว่าร่างกายเนี่ยโอ้มีกายมันต้องมีเจ็บมีปวดก็อยากหายใช่ไหมอ้ยทงไงถึงอยาหายอยทาไมหายล้วจะเป็นยังไงดูสิสิ่งปรุงแต่งนี้มันขวางทำเลยนะที่จริงอ่เจ็บรู้ว่าเจ็บปวดรู้ว่าปวด โอ้มีร่างกายก็ต้องเป็นอย่างนี้เองเนี่ยมันก็ได้ปัญญาได้ธรรมะขึ้นมาอันนี้โอ้โหมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นมากกว่านี้ไม่มันเป็นอะไรตายแน่เลยถ้าตายแล้วเนี่ยลูกเราอยู่ยังไงเพื่อนเราอยู่ไงพ่อแม่เราใครจะดูจะเล่นมันไปโน่นเลยนะแต่เฉพาะหน้าไม่เห็นนะถ้าใครมีสติดีดเจ็บมันก็มาอยู่ตรงเจ็บนี้รู้ว่าเจ็บ แค่รู้ว่าเจ็บนี่ไม่ได้ธรรมดานะตัวที่รู้ก็ตัวจิตให้ความเจ็บวันนี้มันก็เป็นธรรมชาติดันหนึ่งทีนี้ไอ้ความเจ็บทางกายเนี่ยมันจะเข้าไปมีปฏิญาในจิตนี่แหละตัวจิตเนี่มันก็จะมีเหมือนเหมือนคลื่นะ่ะเหมือนมีอะไรเข้าไปเข้าไปประกอบเป็นสิ่งประกอบตัวนี้ลึกลับซับซ้อนมากต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้า แล้วก็ผู้ปฏิบัติจิตตรงละเอียดแล้วต้องศึกษาธรรมะของพทธเจาอย่างดียังเข้าไปเห็นตรงนี้เมื่อไหร่เข้าใจเลยจิตนี้เป็นแค่ธรรมชาติเป็นธาตุรู้เฉยๆรู้เฉยๆเลยสิ่งที่ประกอบกับจิตเนี่ยซึ่งเกิดดับวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เกิดดับไปเพราะอะไรเพราะว่าอย่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ตาบใดมันก็ต้องมีพวกนี้เข้าไป แต่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรเลยมันก็เกิดดับไปอย่างนั้นแหละมันเจ็บปวดทั้งร่างกายมันรู้สึกไม่สบายมันก็เหมือนมันมีขึ้นเข้าไปเราก็ไปรับเข้าไปหรือมันเข้าไปอ่ะมันต้องเกิดขึ้นอ่ะปฏิญญาของมันจากนั้นมันก็จะปรุงแต่งคิดไปละอยากสบายละไม่อยากเจ็บละอยากให้มันหายละนี่มันก็ พุ่งไปเรื่อยทีนี้มันก็จะทํำยังไงถึงจะหายทานู่นทํานีนนาน่นู่นนี่นั่นไปก็ไปจากเนี่ยตัวจิตเนี่ยเรื่องราวมันก็เลยเยอะเพราะมันไม่เห็นต้นตอของมันไงเพราะนั้นจะต้องอาศัยมีสติเข้าไปดูละเอียดเข้าไปเรื่อยๆสังเกตอยู่ตลอดเวลาเลยมันจะค่อยละเอียดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปโดยไม่ต้องอยากหรอก ทำลงไปบางทีมก็เผลอไปหลุดออกไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจริงไม่อยากให้พูดมากพอถ้าพูดมากๆแล้วแทนที่จะเห็นปัจจุบันรู้อยู่ปัจจุบันมันไม่เห็นนะ่ะมันก็จะคิดไปทางนน้นทางนี้หรือพูดกันไปมันก็คิดเพื่อจะพูดพูดแล้วก็คิดต่อไปอีกทำความเข้าใจเรื่องที่พูดออกนอกไปเลยไม่ได้เข้ามาดูข้างในเนี่ย หรือไปทำงานมากงานอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องไปหามาแต่ถ้ามันจำเป็นอันนั้นก็ยอมรับพอชีวิตมันก็ต้องมีแบบนั้นหละมันต้มีการมีงานบ้างมีการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันบ้างถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปหรือไปการงานที่ไปแสวงงานนู่นนี่นั่นก็เกินความจำเป็นไปแล้ว เพราะอะไรเพราะงานหลักก็คือเนี่ยให้เข้าไปรู้ให้มันเห็นทีแรกก็เห็นห ย, ยาบๆก่อนย้อนก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่ถ้าในสมาธิมันสามารถพูดได้ว่าผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ตึบ๊บแค่นั้นเองความรู้อันนี้มันก็จะเข้ามามันก็มาทํางานเวลาธรรมดาเนี่ยเวลาเรากระโถะอารมณ์ก็รู้ว่าจิตผู้รู้อันนี้มันก็จะอยู่ปั๊บเข้าอยู่กับปัจจุบันทีนี้คนอื่นเขาไม่เป็นอย่างเนี้ย เขาจะปรุงแต่งเขาก็จะพูดนั่นพูดนี่อันนั้นถามนี่ถามนี่นั่นๆนี่ น, น, นี่ไอตัวจิตของเราที่รู้อยู่นี่มันก็นิ่งเงียบเงียบเฉยควรฟังมันก็ฟังที่มันฟังด้วยใจจดจ่อด้วยตัวสติสัมปชัญญะตัวเนี้ยมันก็เข้าใจเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจในความรู้สึกหรือความต้องการของคนนั้นว่าเอออันอย่างเนี้ยคืออะไรยังไงยังไงคือมันไม่ได้เฉพาะหน้าเฉพาะนั้นแต่มันขยายออกไปกว้างออกไป มันสามารถประเมินอย่างน้อยก็อนุมาณได้ว่าคืออะไรเพราะนั้นมันจึงมันจึงให้ตัวที่มันรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันสามารถขยายความรู้โดยไม่ต้องคิดด้วยเป็นความรู้ที่ไม่ต้องคิดอะนิ่งเงียบแต่ว่ารู้เข้าใจเนี่ยอันนี้มันก็อาศัยการฝึกฝึกไปฝึกไปฝึกไปมันก็เลยสบาย จิตเมื่อไม่หลงไปผสมมุติไม่หลงไปกับความคิดนึกปรุงแต่งอะไรเลยรู้ว่าปรากฏการเหล่านั้นเกิดแล้วก็ดับไอ้จิตที่มันสามารถอยู่กับปัจจุบันธรรมได้นี้แหละตัวธรรมะเขาเรียกปัจจุบันธรรมแล้วมันก็จะเข้าใจมีร่างกายมีเจ็บมีป่วยมีไข้มีจิตใจก็มีปฏิยาของจิตแล้วก็มีความคิดนึกปรุงแต่งซึ่งมันเป็นธรรมชาติ แต่ถ้าหาว่ามันเป็นเรื่องของการที่อยู่ในโลกยังมีชีวิตอยู่จิตมันก็จะรู้แล้วมันปล่อยมันวางมันก็จะรู้ว่ามีทางออกมีทางออกคือมันมายึดอะไรลวทีนี้ร่างกายก็โอของเกิดของแกของเจ็บของตายก็คายออกได้จิตใจก็เออนามธรรมมันก็เป็นธรรมดาปฏิยาของมันมีมันก็พุงแต่งไปเดี๋ยวมันก็ดับไป เห็นอย่างนี้มันก็จิตมันก็เริ่มคายออกคายออกมันก็หายหลงถ้าหายหลงเมื่อไหร่มันจะไม่ไปเกิดมันรู้แล้วรู้แล้วมันไม่ยึดอะไรไม่ติดอะไรไม่มีอะไรพาไปเกิดได้ความรู้สึกที่จะไปเกิดมันไม่มีมันดับมันเงียบมันนิ่งมันเงียบมันอยู่เฉยๆไปเลยเรียกว่าพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่ถ้าว่าเออใครยังไม่ได้มาศึกษายังไม่มาทำความเข้าใจก็สอนให้ทำบุญทำความดีอย่างน้อยก็เกิดดีหรือมีชีวิตอยู่ก็ดีขึ้นมาและไอ้บุญที่เราทำเนี่ยมันมันจิตมันพอจิตมันละเอียดเนี่ยความรู้สึกที่ละเอียดเข้ามาพอมันเข้ามาอยู่กับร่างกายเนี่ยร่างกายก็พลอยละเอียดอารมณ์ละเอียดอารมณ์จิตจิตสบายกายก็สบายไอ้กายกับใจมันได้มาเพราะกรรมเก่า ทีนี้บุญมันเป็นกำใหม่บุญที่เราทำเนี่ยมันเหมือนเอาบุญเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงจิตใจกายก็ดีขึ้นมาใจก็ดีขึ้นมาใจดีนี่ใจนี่มันจะมีพลังมีกระแสของมันสิ่งที่อยู่รอบรอบเนี่ยจะชอบกระแสจิตที่สงบเยือกเย็นเพราะว่าเขาก็สบายด้วยมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสิ่งแวดล้อมถ้าจิตใครดีๆเนี่ยบางที สามารถเปลี่ยนแปลงสาภาพแวดล้อมได้พวกที่อยู่รบอบๆเขาสบายขึ้นมาสถานที่ก็สบายอย่างน้อยก็เอบุญก่อนแต่ว่าบุญนี่ถ้าเฉพาะบุญแม่มันพอใจเวียนไหายตายเกิดเนี่ยไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่การได้พบคำสอนของมุติเจ้ามันต้องสูงกว่านั้นต้องเห็นโทษของการเวียนไหายตายเกิด เกิดแล้วตายเกิดแล้วตา ย, ตายมันไม่ได้อะไรเหมือนพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ก่อนที่จะตัดสููเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจตัวนี้ก่อนเพราะเราก็ต้องทําความรู้ความเข้าใจของเราเดี๋ยวก็มาปฏิบัติเพื่อหาทางออกพราะความรู้ความเข้าใจนี้จําเป็นมันเป็นสมาธิฏิเนี่ยสมาธิฏฐิขั้นต้นต้องเข้าใจซะก่อนเข้าใจแล้วปฏิบัติสมาธิฏฐิระดับลึกซึ้งที่นี่แบบชนิดที่ไม่มีเราเลยอะเออ จิตก็เป็นธรรมชาติถาดรู้ไปเลยอะไรต่ออะไรนั่นมันก็แค่สิ่งที่มาประกอบจิตเฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรก็มันจึงจะจบได้ส่วนในร่างกายหนูจะมีความหมายอะไรก็จิตมาใส่อยู่ชั่วข้าวเฉยๆอย่งไม่หลงอะไรนักหนาถ้าหลงร่างกายอยู่ก็ยังหยาบอยู่เนี่ยมันก็สแสวงหานู่นนี่นั่นเพื่อร่างกายมันก็ปิดกั้นธรรมเยอะมากๆเลยนะร่างกายเราเนี่ย ความอยากความต้องการเพื่อที่จะเอามาเสพสเวยเพื่อล่างเนี่ยคือถ้าจิตมันรู้เข้าใจแล้วก็คายออกคายออกคายออกแค่มันรู้ว่างกางไม่ใช่ของเราแล้วมันปล่อยได้มันก็จบแล้วส่วนคนไหนที่มันโอ้ยมันคล้ายๆกับอารมณ์ของเขามันรุนแรงอ่ะการมรคะรุนแรงความอยากติดข้องโน่นนี่รุนแรงก็จำติมุทความความเข้าใจมันจะทำเพื่อร่าง ก็ต้องมาทําความเข้าใจเรื่องร่างกายโอ้ยมั น, น, ข, อนของเหน่าของเหม็นของสก็บกไม่สวยไม่งามว่าไปกันไหนที่มันปันเทาแต่ไม่ใจสบายขึ้นมาเพื่อให้จิตมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราเพื่ออย่างนี้นะเพื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเรานะขอการปฏิบัตินี่เพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราไม่ใช่ของเรามีชั่วคราวเจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันมีอยู่แต่มีชั่วคราวเฉยๆคล้ายๆปัญญาอันนี้มันทะลุออกไป ว่าสุดท้ายก็ตายเกิดมาก็แต่ก่อนก็ไม่มีเราอยู่ตรงนี้ต่อมามีเรามีเราจากนั้นก็เราก็แตกดับเสื่อมสิ้นสลายไปตอาสํารวมจิตใจนะเดี๋มาทําบุญบางมาฟังธรรมบางมาปฏิบัติบ้บางปฏิบัติหลักการก็รู้กันแล้วพยายามมีสติให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยสํารวมก็เลยไม่ค่อยได้ผล มันเร็วมากในจิตเนี่ยคิดพึ๊ดไปทางโน้นเดี๋ยวพึ๊ดไปทางนี้พึ๊ดไปทางนี้นก็ไปทาตามทำตามทำตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามส่วนไอ้จิตที่มันดูอะไรอยู่เนี่ยมันดูไม่ทันแค่พูดนี่คิดอยากจะพูดคิดเพื่อพูดมันก็เรื่องเยอะแล้วฟังได้ยินมาแล้วก็ทำความเข้าใจตอบโต้อย่างไงมันก็ออกไปเนี่ยจิตมันก็เลยไม่ได้เห็นอะไรเห็นเห็นหน ย, ยาบยาบแต่ถ้าจิตมันนิ่งเงียบได้เออมันเห็น ภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตมันความเป็นเรามันไม่มีอยู่ในนั้นหรอกมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้รู้อยู่ที่รู้จิตมันก็วางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะเวลากระตบอรมณ์มีเหมือนกันมีกิเลสพ่อหลานก็มีกิเลสแต่ว่าท่านไม่เอาตึ๊บเข้ามานี่มีการหลอนนิดนึงหลอนๆไอ้รลอนๆพวกนี้เป็นเนี่ยปฏิยาของมัน ถ้าใครมีสติดูก็เห็นว่ามันเกิดมันดับก็จบแล้วไม่ใช่เราลอนมันไม่ปรุงต่อถ้าคนทั่วไปนี่พอไม่ถูกใจปับ๊บตึบเข้ามาก็ปุงต่อไปบุ่นวายงุดหิดลำคานโกรธเคืองอเดี๋ยวไปดา่าไปว่ากันไปทะเลาะเบาแวงกันทุกตีกันอิจฉาลิสยากันเนี่ยมันตามมาหมดแหละมันไปจากจิตเพราะั้นการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิต เรียนคําสอนของพระเจ้าก็เรียนรู้เรื่องจิตเมื่อจิตรู้จิตเข้าใจก็วางอุเบกขาเนี่ยมันสําคัญตรงนี้นะตรงรู้แล้ววางนี่ต่างหากจะไปต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะมันเป็นแค่ความรู้สึกที่มันประกอบขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาพูดออกมาก็อาจเป็นได้ในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติมีผู้ปฏิบัติ บ, ตบรรลุธรรมโอ้ะเบิดกายระเบิดจิตระเบิด เอาความรู้สึกตอนนั้นมันใช่มันเป็นแค่ความรู้สึกกายมันไม่ได้ระเบิดมันมันไม่อะไรระเบิดหรอกแต่ความรู้สึกของเขาของผู้ปฏิบัตินั้นก็พูดไปตามความรู้สึกแต่เนื้อหาของมันคือจิตรู้รู้แล้ววางรู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรตัวจิตก็นำ ม, มาทำเพราะนั้นรู้แล้วมันก็จะผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปเอาอุทิศบุญนะ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 ขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็ให้บุญไปให้บุญไปให้บุญไปให้บุญไปให้บุญไปด้วยแล้วก็รับพรไปด้วยนะจะให้พรเยอดๆนะ